ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงคือร้อนขึ้นพวกสัตว์ต่างๆที่หายไปไม่ว่าจะเป็นยุงเป็นมดก็เริ่มออกมาหากินออกมาเพ่นผ่านสิ่งแวดลอบต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นไปดังใจเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวอากาศร้อนผู้คนรอบข้างล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นช่วงนี้ถ้าใครติดตามข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์จะมีข่าวของนักร้องดัง ในอดีตคือสุรชัยสมบัติเจริญไปทำเฟสออฟมาสุรชัยปีนี้ก็อายุหกสิปีแล้วไปทำเฟสออฟเพื่อ ห, หน้าเด็กอายุประมาณสามปีกว่าเมื่อช่วงปีสอง2ัน2้ยบสายี่บสี่เนี่ยเปช่วงที่สุรชัยดังมากเลยถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยจะรู้รู้จักเพลงฝนตกรถติดแล้วก็อีกหลายเพลงมีสาวๆเนี่ยตามไปฟังตามไปชม เมื่อจะเป็นเล่นที่ไหนคนก็นแน่นเป็นคู่แข่งสายสัญญาสวยชัยเป็นคนที่หน้าตาหลอ่อรูปร่างสูงเป็นลูกชายของสุรพลสมบัติเจริญอดีตราชเพลงลูกทุ่งชื่อดังคนในโซเชียลเน็ตเวิร์ดจึงไปเอารูปดาราฮ่องกงเอามาลงกันโดยเปรียบเทียบสมัยตอนหนุ่มกับตอนแก่เมื่อจะเป็นดาราเก่าเม่จะเป็นพวกหวังอยู่ตีหลงเดวิเจียงเฉินหลง จดสิ่งชือออยู่ที่หัวหรือชิ้นเสียบอกอยู่เสียนที่แน่ดีเนี่ยเคยหล่อเคยสวยตอนนี้หน้าตาเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเคยหล่อเคยสวยผมก็เริ่มหงอกตีนกาเขาเริ่มลึกขึ้นผิวก็เริ่มเหี่ยวถ้าบางคนแก่มากก็เคยเคยรูปร่างดีก็กลายเป็นผอมหรืออ้วนฉุไปเลยอันนี้เป็นเศจษฐธรรมชีวิตไมไ่อยู่ใต้อำนาจของเรา อยเมื่อกี้เราก็สวดมนต์มีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดามีความพัดภาคจากของรักของชอบใจทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ไม่มีใครหนีพ้นเป็นสัจธรรมชีวิตเมื่อสวันนี้เรามาก็ตามกระแสก็นำภาพเก่าๆสมัยหนุ่มๆของดาราฮ่องกงแต่ยอรามรับว่าหายากเหมือนกันแล้วก็นำภาพปัจจุบันเนี่ยช่วงแก่เนี่ย นำาสร้าง Photoshop ทําให้เป็นแบบภาพรวมแล้วก็นำมาโพสในเฟซบุ๊กเพื่อให้คนเห็นสัจธรรมให้เห็นคือเห็นข้อเปรียบเทียบไนงะให้เห็นความต่างระหว่างตอนหนุ่มกับตอนแก่ไม่มีใครรักษาความเที่ยงนี้ได้อย่างสุรชัยก็จะมีคนนํารูปมาลงมาเปรียบเทียบกับดรเสรีวงวนทาเพรหน้าตาคล้ายกันแต่จริงๆก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะที่จะมาพูดเอามาพูดเรื่องธรรมะอนุมาไม่ได้ไม่ได้พูดถึงสุรชัยใน ด, ด้านเสียหายได้อย่างใด เพราะถึงจะช่วงนี้หนุ่มขึ้นแต่ก็ได้เฉพาะหน้าตาเท่านั้นแต่เลี้ยวแรงก็ไม่ได้หนุ่มขึ้นตามเลยเลี้ยวแรงสายตาประสาทกรรับรูบ้ต่างๆเนี่ยไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้เพราะว่าคนแก่ก็คือคนแก่อยู่วันค่ำแหละร่างกายก็ต้องเสื่อมถอยไปธรรมชาติบเอาคืนคือต่อให้ทำเฟสออฟยังไงก็คือคนแก่อยู่ดี ถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้เราก็ไม่ทุกข์ยอมรับว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายถ้าบางคนไม่ยอมรับเนี่ยพอเรายุเยอะเนี่ยเราก็ต้องไปย้อมผมบางคนก็มีตังหน่อยก็ไปแต่งหน้าจะบางคนแต่งจนหน้าตาบิดเบี้ยวเสียลูกโซงไปก็มีบางทีไปเจอหมอเถื่อนบางคนนี้ไม่ยอมแก่เลยก็มีอย่างอภัสราของตระกุลเนี่ยอดีตนางสาวไทยนางงานจักรวาลเนี่ย เขาเป็นคนสวยมากเขาก็แต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตัวมาตลอดช่วงนี้ก็น่าจะอายุประมาณเกือบเจ็ดสิบได้แล้วแต่ก็สู้ความความแก่ไม่ไหวเหมือนกันพอช่วงที่สวยก็สวยพอช่วงที่อายุมากนี่ยังไงก็แต่งไม่ไหวแล้วก็ต้องไปไปตามความจริงของธรรมชาติอแหละอยาพวกโยมาวัดมาฟังธรรมก็มาเรียนรู้เรื่องเศจษฐธรรมชีวิตแหละเรียนรู้ถึงกว่าไม่เที่ยง เรีรู้ฝวาจริงของธรรมชาติว่าเราต้องอยู่ใต้โลกธรรมแปดประการคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเ ส, เสืมเสื่อมีอันธาอันนี้ไม่มีใครหนีหลีกหนีพ้นถ้าเราเข้าใจโลกธรรมเนี่ยเราก็สามารถอยู่กับชีวิตประจำวันได้โดยที่ตัวเองไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะคนที่เรารักเนี่ยบางทีก็ต้องล้มหายตายจากไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอด เขาไม่จากเราเราก็จากเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติต่างๆก็เหมือนกันตอนตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเราก็สามารถใช้ทรัพย์สมบัติได้ของลั้นก็เป็นของเราอยู่แต่พอเราตายเนี่ยก็ไปของคนอื่นอีกอไม่มีใครสามารถเอาไปได้เลยต้องทิ้งไว้ที่โลกทั้งหมดชื่อเสียงก็เหมือนกันแต่ชื่อเสียงอาจจะถ้าบางคนทาาดีมากๆก็อาจจะเป็นตำนานอาจจะเป็นเป็นอุสอรที่คนจาได้บางคนทาชั่วมาก คนก็เล่าลือกันบางทีก็หลายพันปีก็ยังไม่ยังไม่หายก็มีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทาธรรมดีเสียงก็เล่าลือถึงคุณงามความดีของพ่อองค์เนี่ยก็สองพันกว่าปีแล้วก็ยังไม่หายพระเทวทั์ทำชั่วคนก็ประนามสองพันกว่าปีแล้วคนก็ไม่ลืมพระเทวทัศหรือพวกข้องเต้หรือจักรพรรดิที่ทอราชกังฉินคนก็ไม่ลืมเหมือนกันนั้นคุณงามความดี อาจารนานแต่ว่าเดี๋ยวสักพักคนก็ต้องลืมอันนี้เป็นสัจชาติทางของโลกเรื่องคนดินทาเนี่ยให้ทำดีแค่ไหนเราก็ต้องโดนดินทาเพราะถูกใจคนหนึ่งก็ต้องไม่ถูกใจคนหนึ่งพวกเสียผลประโยชน์ก็ดินทาไม่มีใครรอดหรอกถ้าถูกใจเขาก็ชมถ้าเกิดเราวางใจไม่เป็นเราไม่ให้ใครดินทาเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าดินทาเราถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองได้ ใช้คำดิ้นท้ายเป็นประโยชน์แต่เรื่องไม่จริงเราก็ถือเป็นความผิดของเขาเราก็ต้องไม่ไม่มาให้เราทุกข์ใจก็ได้เพราะนี่เป็นโลกธรรมวันนี้ประวัติที่เก้ามีนาคมทํำให้อนาคามึกถึงวัดท่ามเยปิกเพราะเป็นวันที่ 9, ท ห, ถถททหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโลอดีตเจ้าวาดเนี่ยละสังขานวัดท่ามเปีกอยู่ก่อสีช้างจังหวัดชลบุรีเป็นกรยาลามิศกับวัดป่าสุปะโต เมื่อก่อนก็จะมีพระมีแม่ชีมาอยู่วัดเราเรื่อยไปไปมามาวัดหลวงพ่อประสิทธิ์หรือวัดที่น่าอยู่เพราะว่าที่นั่นเนี่ยพระกับแม่ชีขยันแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่สมัยที่หลวงพ่อประสิทธิ์มาบุบเบิกไลใหม่หมนั้นมีแต่ภูเขาแล้วมีถ้ำมีโอง่งมีของไ ม, ม่กี่อย่างเองแต่ด้วยาอดทนของท่านเนี่ยท่านก็ทนกับความยากลําบากที่บริเวณนั้นเนี่ยสมัยก่อนพวก นักเลงผู้บีอิทธิพลเนี่ยเขาอยากจะได้เพราะว่าเกาะสีชังเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยว <c oughs> ก็พยายามมาบีบไปท่านเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ไม่ให้ตั้งวัดท่านก็ทนกับอุปสรรคคือเป็นคนที่ทําอะไรใจิตใจมั่นคงไม่ท้อถอยที่นู่นน้ํากินก็หายากต้อใส่น้ําฝนเพราะบริเวณนั้นก็เป็นเป็นเกาะเป็นทะเลแหละทำให้อาถัยน้ําฝนก็ไม่มีน้ำบบประปาใช้อะลำบากท่านก็ไปกลัวความยากลำบาก ค่อยๆสร้างจนวทฒนบุปิกเนี่ยใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆต่อหลังก็มีพระมีแม่ชีมาอยู่มากก็ช่วยกันทำโบสก็ช่วยกันสร้างเองสร้างที่เก็บน้ำก่อสร้างสิ่งต่างๆก็ใส่แรงงานของพระและแม่ชีช่วงที่ท่านบุกเบิกกันนั้นเนี่ยก็มีนักเลงเนี่ยมาด่าท่านอยู่เป็นประจำเลยเพราะนักเลงไ ม, ไ, มไม่ชอบท่านด่าด้วยคำหยาบๆมีอยู่ครัง้งนึงท่านออกมาบิณฑบาต นักเลงก็ด่าแขวะท่านหลวงพ่อปสิทธ์ได้ยินแทนที่ท่านจะเดินหนีท่านก็เข้าไปหานักเลงคนนั้นก็ถามว่ามึงว่าใครนักเลงก็บอกกูว่ามึงนั่นแหละหลวงพ่อปสิทธ์ก็ยิ้มแล้วบอกว่าอ๋อแล้วไปนึกว่าว่ากูว่ามึงก็แล้วไปไม่ไม่เป็นไรแล้วก็เดินไปนักเลงก็เลยงงท่านต้อเปลี่ยนเรื่องราให้เป็นดีนะคือรับคําด่าแบบฉลาดนะรับระย้อนกลับเจ้าของมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อประสิทธ์ถูกพระนักเลง ทำร้ายร่างกายด้วยไม้หนาสามก่อนจะตีพระรูมนั้นถามว่าท่านแน่หรือท่าไม่อยากมีเรื่องตอบไปว่าผมไม่แน่ขนาดยอมถึงขนาดนั้นผ้า ร, รูมนั้นก็ยัง ม, มันหน้าสามเนี่ยตีท่านอย่างแรงแต่ท่านก็มีสติตามทันทันทีถูกไม้หนาสามฟาดจนแผลแตกเลือดอาบท่านก็มาพิจารณาดูว่าเนื้อหนังบางสาเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยพอมีสติท่านก็ไม่คิดโต้ตอบเลยยืนนิ่งให้พระรูมนั้นตีกระหนำ่ำ แทนที่จะโกรธท่านกลับมองดูจีบของท่านที่ชุม่มได้เลือดและนึกในใจว่าเออดีเหมือนกันเอาเลือดเราออกจะได้ล้างที่ส่งสงักพักโยมที่วัดก็มาเห็นจึงช่วยดึงพระรูปนั้นออกมาแล้วพาหลวงพ่อประสิทธิ์ไปโรงพยาบาลถ้าถูกเย็บสิบเข็มส่วนพระรูปนั้นก็ถูกจับสึกตอนหลังก็มาขอเข้ามาท่านท่านก็ไม่ถือโทษกดเครื่องแต่อย่างใดอาฆาิกรรมไปชีวิตของหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยก็โลดโผนพอสมควร ท่านมักสอนพระและมิชิวัตอยู่เสมอว่าถ้ามีใครมาด่าเราไม่ดีเนี่ยก็ให้เรารับไปว่าเราไม่ดีตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ดีเพราะว่าแต่และ ว, วันเนี่ยจะต้องต้องกินต้องขับถ่ายต้องเดี๋ยวปวดเมื่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวอะไรต่อไม่อะไรร่างกายมีแต่ของไม่ดีทั้งนั้นเลยท่านก็บอกให้เรารับความจริงไปว่าเราไม่ดี เวลาไม่ชีเท้ะกันหลวงพ่อก็บอกว่าให้พูดว่าเดี๋ยวมึงก็ตายกูก็ตายแล้วจะท้อหรอกทำไมให้คิดแบบนั้นป้ายอยู่เขียนไว้เนี่ยอ่านรรมาอ่านแล้วสะดุดใจเขาบอกว่าคนโง่ย่อมกล่าวโทษคนอื่นว่าไม่ดีผู้บิดเปียนยามองเห็นเป็นทาสเหมือนกันหมดอันนี้อ่านมาดูก็จริงบางทีเราก็ถ้าเราเผลอสติเนี่ยเราก็ไปโทษคนทนี้ไม่ดีโทษอินฟ้าอากาศบ้างโทษคนบ้าง แต่เราช่วงไหนเรื่องมีสติแล้วก็บอกคนเป็นธาตุเหมือนกันได้แต่ทำยากนะคนนี้ทุกคนเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดอะถ้ามองแบบแบบนี้อะปัญหาก็น้อยแต่ถ้ามองเป็นคนมีชื่อนู้นชื่อนี้เนี่ยปัญหาตามมาไม่จบไม่สิน้นไงอันนี้เปียวบายสอนท่าของท่านวันนี้ก็ไปตรงเป็นวันที่ทาสังขาร ทุกปีเนี่ยลูกศิษย์ก็จะไปไปทำพิธีแหละทำอัจฉริยะบูชาอาตมาก็เคยไปร่วมสามปีติดเลยแต่ต่อหลังไม่ได้ไปละเพราะว่าพอหลายปีเข้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัจธรรมความไม่เที่ยงลูกศิษย์ของของวัดท่านเองก็ยังไม่ไปร่วมเลยบางทีก็ไปนู่นไปนี่กันอาตมาไปอาหุกะเลยบางทีเราก็ติดธุระก็ เ, เลยไม่ได้ไปอย่างหลวงพ่อเขียนก็มรณะสังขารได้ปีกว่ า, วาปีแรกก็ยังมีคนมาร่วมเยอะ เมื่อไปจัดงานที่สวนโมกุกรุงเทพหรือจัดที่วัดป่าสุกโ ต, โตเนี่ยแต่ต่อไปแล้วมันก็เชื่อว่าคนจะน้อยลงเรื่อยๆอันนี้เหมือนสวนโมกุแหละครูบาอาจารย์เพราะว่าตั้งอยู่กดถึงกวามไม่เที่ยงช่วงแรกๆปีสองสาปีแรกเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยพระครูบาอาจารย์เสียไปนานๆคนก็เริ่มลืมๆไปบางวัดเนี่ยต้นไม้ขึ้นสูงหรือคนไม่ค่อยเข้าวัดเลยก็มียกเวทลูกศิษย์อยาจะมีบารมีมากมีคนรู้จัก อันนี้คือีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าวัดนั้นไม่มีลูกศิษย์ที่มีบา ร, รมีเลยเนี่ยก็ต้องลดระดับวัดจากเคยลุ่งเรืองก็กลายไปวัดระดับกลางๆหรือวัดระดับเล็กๆเล็กไปถึงจะอยู่ได้อันนี้มีหลายวัดแล้วมาที่ครูบาอาจารย์รัสังขารว่างครูบาอาจารย์ศึกบ้างบางทีลูกศิษย์จะไปหวังจากครูบาอาจารย์มากก็ไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยงถ้าไปผึพึ่งครูบาอาจารย์เราเสร็จเลยชีวิต ถ้เราไปฝากใจว่าใครไม่ได้เราฝากใจไว้กับพระธรรมพระธรรมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้พึ่งได้สิ่งภายนอกพึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วในเหตุปัจจัยวันนี้ก็มีงานหนึ่งคืองานปฏิบัติธรรมประจําปีของวัดผูขอทองเริ่มวันนี้วันที่9สิ้นสุดวันที่15งานวระผูขอทองเนี่ยก็มีพวกญาติโยมแถวท่าไหวหวาน บางทีผู้แม่ชีในวัดหรือภาคก็ไปร่วมก็มี <c oughs> ก็ถือว่าเป็นงานปฏิบัติธรรมที่มีสีสันนั่นแหละแต่คนเข้าวัดอนบาลสังเกตนะมักจะเป็นคนแก่นะหนุ่มหนุงสาวไม่คยมีหรอกเพราะหนุ่มหนุสาวเนี่ยจะประมาทในชีวิตจะไม่เห็นทุกข์เป็นความจริงไนงะแต่คนแก่นี่ผ่านโลกอะมากเนี่ยจะเริ่มเห็นทุกข์ละเห็นทุกข์จากร่างกายตัวเองเห็นทุกข์จากการพัดภาคต่างๆคือประสบการณ์ชีวิตจะมากขึ้น คนแก่คนหนุ่มเนี่ยเวลามองจะไม่เหมือนกันสมัยระบายุ่ย20ก็มองอีกแบบหนึง่งพออายุ30ก็มองอีกแบบหนึง่งอายุ40มุมมองก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนที่้ระบาพอย่างเข้า50เนี่ยเราก็มองคนละมุมกับสมัยก่อนแล้วอันไหนที่ทําเราทุกเนียเราก็ไม่ไปยุ่งธรรมก่อนเราก็ไปยุ่งไปอะไรนะไปคล้ายๆไปปัวพันบางเรื่องเราก็ดูกราเทฤษฎีดูอะไรเป็นมันเริ่มเป็นมันสอนประสบการณ์แต่ละคนไม่มีประสบการณ์ ม, มันมั่วหมดแหละ บางทตัวเองอยู่อยู่ดีก็หาเรื่องหรือไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะพอคนแก่ขึ้นเนี่ยมันมีประสบการณ์มันก็ยุ่งในเรื่องที่มีประโยชน์อันไหนไ ม, ม่ประโยชน์ก็ทางห่างการครบคนก็มีประสบการณ์มากขึ้นแต่และคนที่ไม่มประสบการณ์ก็คบแหลกคบตามกิเลสอันไหนใครค น, คนคนคนไหนที่เราควรจะคุยด้วยไม่คุยด้วยคนห่างคนเข้าใกล้อย่างเงี้ยประสบการณ์มันจะสอนเรา คนไหนที่ทุกข์มากๆคุยไปแล้วมีอะไเรื่องปวดหัวมาให้เราก็าห่างคนไหนคุยเข้าใกล้แล้วมีความสุขทําให้เกิดกําลังใจอ่ะอันนั้นคุยได้มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมชี้โทษอันนี้คือผู้ชี้ขุมทรัพย์คุยไปแล้วไม่มีเสียแต่ถ้าพวกขี้เกียจพวกไม่เอาไหนเนี่ยถ้าคุยไปเท้าจิตเราตกได้นะถ้าคุยไม่เป็นนะถ้าอินทรีย์อ่อนด้วยก็เชื่อเลยทันที ยุ่ยแย่ม่ให้ไปปฏิบัติธรรมยุ่ยแย่โนยุ่ยแย่นี่บางทีเขาโขจีใจแอบแอกโดนข้องาได้แต่ละคนมีศรัทธามั่นคงเนี่ยก็ไม่มีใครมาข้องําได้เราเชื่อว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยดับทุกได้จริงเพราะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ในประเทศไทยมีมากมายเหลือเกินอย่างวัดที่สอนธรรมะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์สอนเรื่องการเจริญสติแล้วก็มีน้อยละส่วนมากถ้าวัดที่ปรกเสก สาวัตถุมงคลเนี่ยคนจะขึ้นเยอะยิ่งถ้าไปเ จ, จ้าวาดเนี่ยอุกเสกหรือลดน้ำมนต์หรือดูหมอด้วยเนี่ยคนจะชอบขึ้นเพราะตรงกิเลสคนแต่ถ้ามาสอนธรรมะเนี่ยไม่ค่อยตรงกิเลสวัด น, นั้นคงจะเข้าน้อยผู้ที่เข้าก็มีปัญญาระดับหนึ่งคือกองแล้วนั่นคนที่ไม่มีปัญญาอนะมากม า, มาออกไม่เอาคนมีปัญญานะอย่างเนนคําเนี่ย ก็มีคนไปขึ้นเยอะมากมายเลยช่วงที่ยังไม่เป็นข่าวบางทีเศรษฐีได้รวยถวายรถเบนมีทรัพย์สมบัติมากมายเลยเพราะคนเพราะคนเชื่อว่าท่านพระอรหันต์มีลุง ม, มีลิตรจริงอะไรเงี้ยคุยเทวดาได้คนเชื่อแบบนั้นก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาแล้วก็มีหลาย ส, สำนักอันวาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะแต่ชี้ให้เห็นว่าคนเข้ายเข้ามากเลยเพราะตรงกับกิเลส เพราะคนเราความเห็นไม่ค่อยเหมือนกันหรอกคิดก็ไม่ค่อยเหมือนกันเมื่อวานเจอเขาเขียนข้อเขียนหนึ่งเขาเขียนว่าอายุ60ปีเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานจะใหญ่จะเล็กก็มีค่าเท่ากันอายุ70ปีมีเมียน้อยมีเมียมากก็มีค่าเท่ากันอายุ80ปีรวยมากรวยน้อย ก็ไม่ต่างกันอายุ90ปีจะอยู่หรือตายก็ไม่ต่างกันเรามาอ่านดูแล้วก็ทบทวนไปเอ๊ะก็จริงเหมือนกันนะบางเรื่องอาจจะเบื่อไปบ้างอย่าง60ปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่ถ้ารับราชการเนี่ย ก, ก็เสียนละต่อให้มีตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่มันก็มีค่าเท่ากันจริง แต่ถ้าพูดถึงวัตถุอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าบางคนรวยบางคนจนเพราะว่าคนรวยก็ใช้ชีวิตสบายกว่านะ่มันมีวัตถุมีเครื่องโดยพาสะดวกคนจนก็ต้องละบากกว่าต้องดิ้นรนต่อไปแต่ต่างกันแต่เรื่องงานเนี่ยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมีค่าเท่ากันจริงแต่พออายุเจ็ดสิบเนี่ยบางคนก็มีเมียหลายคนเราว่าตองดูก็จริงอะ่ะอายุ็สิบปีเนี่ย ร่างกายก็เสื่อมโทรมแล้วพวกพอร่างกายเสือ่อมโทรมเรื่องกามละหษาต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเพราะว่ากามเนี่ยมันล้อใส่ร่างกายเพราะฉะนั้นการมีเมียมากเมียน้อยจึงมีค่าเท่ากันจริงพออายุ80ปีเนี่ยรวยมากรวยน้อยก็ไม่ต่างกันอันมาก็ว่าจริงเพราะคนอายุ80เนี่ยก็แก่หนักแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวก บางทีต้องให้ลูกหลานช่วยแต่ว่าคนโสมเร็วโสมช้านี่ก็อยู่ที่บุคคลเหมือนกันนะบางคนใช้ชีวิตแบบกินเหล้าดูบุหรี่หรือไม่เคยเออกกลังกายเนี่ยอายุ80เนี่ยจะหมดสภาพเลยแหละบางคนต้องนอนบนเตียงก็มีแต่บางคนก็ยังเดินไปไหนมาไหนสบายถ้าคนบางคนเราเนี่ยความแข็งแรงเสื่อมเร็วเสื่อมช้าจึงเป็นคนคนไปไม่ เ, เหมารวมกันหมดไม่ได้แต่ว่าอายุ80เนี่ย มันซรัพสมบัติโอกาสได้ใช้เงินมันน้อยแล้วแหละส่วนใหญ่ก็อยู่กับบ้านนันจึงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่เก้าสิบยีร่างกายสุดหนักเลยร่างกายย่ำแย่แล้วเก้าสิบเครื่องงงเครื่องในไปหมดแล้วจะอยู่กับตายไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่บางคนอยากตายด้วยซ้ําแต่ยังไม่หมดกรรมก็ตายไม่ได้ก็มีบางคนป่วยนอนไปสี่สิบปีก็ไม่ตายแต่บางคนเป็นไม่กี่วนันตายก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจยัย บางคนต้องตายช้าแล้วก็ต้องทําให้ลูกหลานเนี่ยหมดเงินมากมายแต่บางคนตายเร็วพูดถึงความตายเนี่ยมันสามารถมาหาได้ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆเราจะเห็นตามขา่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยบางทีก็ข่าวฆาตกรรมข่าวบาัติเหตุพวกที่จะเกิดแบบไม่คาดฝันนะเราไม่สามารถรู้ๆได้เลยนั้นเราต้องไม่ประมาทนั่นแหละต้องทำความดียเยอะๆแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศล จเจริญจิตแผ่เมตตาอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเขาว่าถ้าเกิดคนที่ตายอายุสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่บิดเบียนสัตว์อล้วแหละบิดเบีย น, ย น, ยนตนเองบิดเบียนคนอื่นอาจจะเคยเคยทําผิดศีลข้อปานาไปาก่อนจึงไปแหอายุสั้นแต่และคนที่ชอบปล่อยลูกปล่อยปลาช่วยเหลือสัตว์เนี่ยไม่บิดเบียนใครเนี่ยก็ จ, จะอายุยืน แต่ก็ไม่แน่แม่กันเพราะทีกาบยาดีชาตก็มาตัดร้อนได้เราไม่รู้ไงพวกนี้สิ่งที่เราทำได้คือไม่ประมาทไว้ก่อนเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยคากเจ็บไข้ก็เหมือนกันความเจ็บไข้เนี่ยอย่างวันนี้ร่างกายเราดีแต่ต่อไปเราก็ไม่แน่เลยดินฟ้าอากาศแปรปรวน๋ยวจะปวดหัวตัวร้อนป่วยเป็นโรคดูโรคนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้เลยเพราะร่างกายของเราเนี่ยเป็นร่างของโลกแหละ ที่มีเชื้อโลกอยู่แล้วแต่มันยังไม่ปรากฏปรากฏตัวขึ้นหเหตุมันไม่พอไงแต่พอ ว, วันดีคืนดีขึ้นมามันก็แสดงสถานการณ์ขึ้นแ้วเราก็ประมามาไม่ได้ว่าเราร่างกายแข็งแรงแต่ก็ถือว่โชคดีนะที่เราเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะคนมักประม่าในเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยโชคดีแข็งแรงบางทีก็เอาชีวิตเนี่ยไปสัมภเวเทเมา้าไปเที่ยวเตะทุกข์ขนานไปกินเหล้า ไปแสวงหาสิ่งเพลิดเพลินก็มีแต่ละคนไม่บวชก็จะมามาปฏิบัติธรรมมาทําความดีทำประโยชน์ต่อประโยชน์ท่านและเรื่องกรรมเราต้องเชื่อไว้ก่อนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าทําดีได้ดีมีไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เป็นสํานวนคนผ่านเพราะบางอย่างเนี่ยบุญมันก็ตอบแทนช้ามันอาจจะไปตอบแทนนูน่น แชดหน้าก็มีถ้าจะมองเป็นฝ่ายวัตถุนะแต่ถ้าเราบอลฝ่ายนมามธรรมเนี่ยใครขานาดที่เราทําดีเราดีเลยนะเราเห็นใครทำบุญใส่บาตรแล้วก็สาธุแค่นี้เราก็จิตใจมีความสุขละถือว่าเราก็มีส่วนในการทําบุญด้วยเห็นใครถวายสังฆท า, านแล้วก็สาธุเราก็เหมือนทําด้วยเห็นใครทำเพล า, าดีอย่างต่างแล้วก็นุบุตนาบุญสาธุ เราก็มีส่วนร่วมด้วยทุกครั้งเลยแต่เราเห็นใครก็ขวางหัหวขวงตาอั น, นี้ก็ทํางานเอาหน้าไอันนี้มันขี้ประจบอั น, นี้มันสร้างภาพแค่คิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญแล้วได้บาปแทนหรือเกียดขี้หน้าคนรู้คนค น, นี้อันนี้มันหน้าไหวหลังหลอกอะไรเงี้ยมันปรุงแต่งานานๆอัน้นคนที่คิดบวกคิดทางดีจะมีความสุขมากกว่าคนที่คิดทางไม่ดีคนคิดไม่ดีเนี่ยเดินไปทางไหนเอ๊ะเขาดินทาเราไหมหนอ ใครจะวาดอะไรแล้วไม่หนอคือจะมองเห็นได้ปมด้อยไงแต่ปมเด่นเนี่ยด้านความดีก็ไม่ค่อยเห็นอย่างเมื่อสองสองวันก่อนอาบาก็ลงอนามณิทานเนี่ยไปลงเฟซบุ๊กอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องคิดไม่เหมือนกันเรื่องนี้ก็มีมีวัดแห่งหนึง่งมีพระพี่น้องอยู่ด้วยกันพระผู้พี่ไปเจ้าวาดส่วนคนน้องเนี่ย มีตาเดียวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเป็นคนเจ้าโลมุวามอยู่ว่าวันหนึ่งก็มีพระครุกะมาขอพักตามกฎของพระวัดเซนเนี่ยจะต้องโต้วาทะหรือโตธรรมะชนะเจ้าบ้านให้ได้ซะก่อนจึงจะมีสิทธิ์พักเพราะที่วัดเซนเนี่ยเขาจะป้องกันการที่คนมาบวชไม่จริง ถ้าคนบวชไม่จริงไม่สนใจธรรมะเนี่ยก็จะพูดธรรมะไม่ได้คุยอะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องเขากลัวตัวนี้เขาเลยมีการป้องกันว่าพ้าที่บวชมาจะต้องมาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วคุยธรรมะจะได้คุยได้โตวัฒนท่ากันเนี่ยเพลินวันนั้นเจ้า ว, วาดมิธุระก็เลยให้น้องชายเนี่ยไปโตวัฒน์แทนโตไปสักพักหนึ่งพระครุ ก, กะก็รีบ ออกจากวัดมาหาเจ้าวาดแล้วมากราบลาบอกน้องชายท่านเก่งจังผมยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะพักที่นี่ขอลาไปพักวัดอื่นเจ้าวาดก็งงพ่อน้องชายตัวเองเนี่ยโง่เขลาปัญญาจะโตโตธรรมะชนะได้ไงจึงขอให้พระคกกรุกะเล่าให้ฟังพระครุกะก็เล่าก็ล่าว่าตอนแรกที่โตธรรมกันเนี่ยผม ก็ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วความหมายของหนึ่งนิ้วก็คือพระพุทธน้องชายของท่านชูสองนิ้วก็หมายความว่ามีพระพุทธก็ต้องมีพระธรรมผมชูสามนิ้วก็หมายความว่ามีพระพุทธมีพระธรรมก็ต้องมีพระสงฆ์น้องชายท่านชูกําปั้นขึ้นมาก็หมายความว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องรวมเป็นหนึ่งคือพระรัตตผมเลยสิวลาบยอมแพ้เลยแต่โดยดี แล้วก็ขอกลับลาไปสักพักหนึ่งพระน้องชายก็บินหน้าตาตื่นมาบอกไหนไหนไปอยู่ไหนขอตะบันหน้ามาหน่อยสิพระพี่ชายก็ถามว่าเอาชนะเขาแล้วทําไมจะไปตะบันหน้าเขาอีกพระน้องชายพูดด้วยฝ่ามโหก็บอกว่าผมเนี่ยเห็นว่าเขาไปคารุกะนะเป็นแขกเขาชูหนึ่งนิ้วก็หมายความว่าเขาว่าผมมีตาเดียวคือพระน้องชายเนี่ย เป็นคนมีตาเดียวไงาตาบอดข้างนึงก็มีพ็เป็นผมด้อยคือมองแบบผมด้อยตัวเองอะ่ะไอพ้พระอรุกะมองเหรือดุธรรมะไอ้สองคนนี้มองคนละมุมไงสภผมก็เห็นว่าเขาเป็นแขกก็เลยชูสองนิ้วเป็นความหมายว่าคุณโชคดีที่มีสองตาจ้างนี่ผูวภายในเรื่องตาะไม่ผลไม่ผลเรื่องตาไหนแน่ะแค่ได้ไม่พอได้ประชูสามนิ้วเหมือนเย่อเยอะให้ผมว่าเราสองคนรวมกันเป็นสามตา ตอนนี้ผมโกรธมากอยากจะชกหน้าก็เลยชูกมปั้นขึ้นแล้วเขาก็รีบเดินหนีไปเรื่องกระจบทิศานเรื่องนี้ก็มีง่แง่าคิดนะเพราะคนเราเนี่ยเห็นเหมือนกันแต่คิดต่างกันเพราะคนเราอุปนิสัยแตกแตกต่างกันอุปนิสยัยิีฬาก็ไม่เหมือนกันนะชอบฟังเพลงก็ไม่เหมือนกันลนะหรืออาหารก็เหมือนกันอาหารก็ชอบคนละอย่างบางคนก็ชอบชรสเผ็ด บางคนชอบเค็มบคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบจืดบางคนชอบมังสาวิรัติอันนี้ข really ้อแตกต่างกันคนเราชอบไม่เหมือนกันฟังเพลงบางคนชอบฟังเพลงคลาสสิกเพลงหวานๆเพลงเพ้อๆบางคนชอบฟังเพลงร้อนแรงเร็วๆสนุกสนานบางคนชอบฟังเพลงเศร้าๆคนเราข้อแตกต่างกันดูหนังเหมือนกันบางคนก็ชอบดูหนังคลาสสิกดูหนังแบบรักๆโรแมนติก บางคนชอบดูหนังบูค่ากันเรือดทุ่มจอหรือหนังสงครามโหดโหดบางคนชอบดูหนังผีบางคนชอบดูหนังที่ว่าผู้ฮีโร่ต่างๆที่มีความสาวบ้านเหนือมนุษย์ทั้งหลายเพราะการที่คนเราชอบไม่เหมือนกันเนี่ยพระเจ้าจึงมีวิธีปฏิบัติธรรมแตกต่างกันถึงสี่สิบวิธีจิตก็ไม่เหมือนกันคนเราความคิดก็แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเราความคิดเราก็หนดฟังมคิดคนอื่นไม่ได้หรอกบางทีเรื่องเดียวกันเขาจะมองคนละมุมกับเราก็ได้อย่างพระตาเดียวกับพระอุกระเนี่ยอีกคนกึคิดแต่เรื่องธรรมะมองอะไรเป็นธรรมะหมดอีกคนหนึ่งคิดแต่ผมได้ตัวเองก็เลยมองแต่ผมได้ตัวเองนั้นคนที่มีปัญหาส่วนมากที่จะประสบการณ์อมานะมักจะมองผมได้ตัวเองอย่างคนจนก็จะคิดว่าตัวเองจนอยู่นั่นแหละคนรวยไม่คบเราหรอกเขาลำเกียรจคนจน ย้ำคิดย้ำตอกย้ำอยู่นั่นแหละแทนที่เราจะไปคบคนรวยเพื่อหาความรู้จากเขาหรือหรือแบบทํางานเพราะว่าถ้าคนคิดปิดกั้นปุ๊บเนี่ยเขาะจนตลอดชีวิตแหละเพราะเราจะเข้าใกล้คนรวยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกเป็นปมด้อยเพราะเราจนเราเลยปิดโอกาสการพัฒนาให้ตัวเองรวยเพราะคนจนเนี่ยถ้าสร้างตัวขยันหรือทําอะไรถูกจังหวะก็รวยได้ไม่มีใครจนตลอด คนรวยถ้าประมาทก็จนได้เหมือนกันบางทีบางทีไปลงทุนอะไรแล้วจังหวะที่สวยๆคือการค้าตัวนั้นนะตกต่ำเจอแจ็คพอตพอดีอยเงี้ยก็หมดตัวได้ไอ้นี่นเห็นมาหลายรายแล้วหรือแม่ก็มองผมได้จนเองอะ่ะสมมติเรามีอะไรที่แบบไม่สวยขี้เหรเราก็จะมอกเราก็จะไปเปรียบ เ, เทียบอะ่ะมองตัวเองไม่มองตัวเองทางลบตัวเองจะขาดความสุขตลอดชีวิตแหละ คนนี้ก็หล่อกว่าเราคนนี้ก็สวยกว่าเราแต่ถ้าเราไม่มองปมด้อยเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือสุขได้เหมือนกันเพราะทุกสุขอยู่ในใจเราไม่อยู่ที่คนอื่นหรอกถ้าใจเรามองทางมองโลกในแง่ดีเราก็สุขได้มองโลกในทางลบต่อให้รวย ก, ก็มีความทุกข์ก็แหละไม่้อเปรียบเทียบอิจฉาเนาดูคนนี้อยู่ล่ำไปชีวิตหาความ ส, สุขไม่ได้ ความแก่ถ้าเราพิจารณาให้เป็นเนี่ยว่าเป็นสัญจธรรมของชีวิตทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทเรเห็นความจริงของชีวิตเราก็มาปฏิบัติรธรรมบริกรมมผาทางพ้นทุกข์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปแต่ถ้าเกิดเรามองความแก่เป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าเกียดน่ากลัวก็ถือเป็นเรื่องร้ายไปอ่ะเพราะเราต้องแก่แล้วหนีไม่พ้นอย่างอาลามาก็เริ่มแก่แล้ว พวกโยมที่มาฟังอาตมาพูดเนี่ยก็ส่วนมากอายุมากอาตมานะมีมีไม่กี่คนหรอที่อายุน้อยกว่าคงเห็นเหมือนกันแหละเราก็ใช้ความแก่เป็นประโยชน์ก็แล้ว ก, กันอาศัยอาศัยความทุกข์ให้เกิดปัญญาเพราะถ้าเกิดทำอย่างนี้เราก็ชีวิตเราก็มีความสุขความทุต่างก็น้อยลงได้อาตมาเห็นว่าพูดมาสก็สบเกิดเวลาก็ท่องกอนโยมฟังกรหนึ่งก็อของหลวงพ่อพุทธทาสกรเรื่องความแก่ ความเอยความแก่เป็นเพื่อนแท้ความตายไม่หน่ายหนีเมื่อความแก่ล่วงการมานานปีก็มอบเวรคือหน้าที่ให้ความตายไม่ยกเว้นใครๆไม่ลําเอียงมใีใครหีกอเลี่ยงหรือเถียงได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหญิงชายรีบทําดีก่อนตายให้มากเอย่ย